จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริสัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่19ม ก, กราคมพุทธศักราช2556เป็นวันพระวันธรรมสวนะณวันฟังธรรม เป็นวันที่พระบรมศาสดาพระอาหารหันตสัมมาสามพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเพื่อให้พุทธศาสนิกชนพุทธบรยสัทสีได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆเพื่อมาบำเพ็ญภารกิจที่สำคัญที่สุดของชีวิตก็คือการสร้างบุญสร้างกุศล เพื่อดูแลรักษาจิตใจที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุขให้มีความทุกข์เบาบางลงไปและหมดไปในที่สุดไม่มีอะไรที่จะสำคัญกว่าจิตใจของพวกเรา ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดนอกจากจิตใจของพวกเราร่างกายและสิ่งของต่างๆนั้นเป็นของเราเพียงชั่วคราวเราไม่ควรที่จะให้ความสําคัญมากเท่ากับให้ความสําคัญกับจิตใจของเราเพราะจิตใจของเรานั้นไม่มีวันตาย มีแต่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์จะสุขมากหรือทุกข์มากจะสุขน้อยหรือทุกข์น้อยจะไม่มีทุกข์เลยมีแต่ความสุขนั้นอยู่ที่ตัวพวกเราเองที่จะต้องดูแลรักษาถ้าเราไม่ดูแลรักษาใจของเราเลยมัวแต่ไปดูแลรักษาสิ่งอื่นๆ ใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์มากมีความสุขน้อยถ้าเราดูแลใจของเรามากกว่าสิ่งอื่นๆเราจะมีความสุขมากมีความทุกข์น้อยถ้าเราดูแลใจของเราเป็นเพียงอย่างเดียวเราจะมีความสุขเต็มร้อยเราจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจของเราเลย นั่นคือวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านดูแลจิตใจของท่านเพียงอย่างเดียวท่านไม่ดูแลอย่างอื่นท่านสละท่านตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเพราะท่านรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวลาบยศสรรเสริญทางความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย ร่างกายของเรานี้เป็นของชั่วคราวเราไม่ควรที่จะหลงดูแลสิ่งเหล่านี้ให้มากเกินความจําเป็นเรามีร่างกายเรายังต้องดูแลอยู่เพราะเรายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือมาดูแลจิตใจของเราเราก็ต้องดูแลร่างกายให้อยู่เป็นปกติแต่ไม่จําเป็น จะต้องดูแลให้แบบหรูหรให้แบบยิ่งใหญ่แบบของพระเจ้าแผ่นดินแบบของมหาจักรพรรดิเพแบบของมหาเศรษฐีเราเพียงแต่ดูแลร่างกายของเราไม่ให้อดยาขาดาแคลนไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อให้เราจะได้เอาร่างกายนี้มาปฏิบัติสร้างบุญสร้างกุศล เพื่อดูแลจิตใจของพวกเราอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาพระพุทธเจ้าดูแลร่างกายเท่าที่จําเป็นเช่นตอนช้าก็ส่งออกมินทบารหาอาหารมาให้ร่างกายรับประทานที่อยู่อาศัยพระองค์ก็ส่งหาตามมีตามเกิดตามป่าตามเขาตามโคนไม้ตามถ้าต่างๆ พอเป็นที่หลบแดดหลบฝนได้เสื้อผ้าอาภรณ์ก็ทรงมีเพียงผ้าไตรจีวรนคือมีผ้าสามผืนผ้านุ่งผืนหนึ่งผ้าห่มผืนหนึ่งแล้วผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนรวมเป็นสามผืนเรียกว่าไตรจีวรและการหาผ้าไตรจีวรของพระพุทธเจ้านั้นก็หาจากเศษผ้าที่ ทิ้งไว้ถูกทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆหรือผ้าหอ่อศพพระภิกษุสมัยพระพุทธเจ้านั้นท่านใช้ผ้าบางสกุลคาว่าบางสกุลก็คือผ้าที่เขาใช้ห่อศพนั่นเองในสมัยก่อนเขาไม่ได้เผาเขาปล่อยศพให้ออกไปทิ้งไว้ในป่าชา้าเขาก็เอาผ้าห่อไว้ แล้วก็ปล่อยให้เน่าเปื่อยหรือปล่อยให้สิงสาราสัตว์ต่างๆมาแทะกัดกินไปพระสมัยก่อนไม่มีการถวายผ้ากระกถินก็เลยต้องอาศัยผ้าบางสกุลที่เราแปลว่าผ้าป่าก็คือผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าเช้านั่นเองนั่นคือเสื้อผ้าของพระพุทธเจ้าและของพระ สาวงทั้งหลายส่วนยารักษาโรคท่านก็รักษาด้วยยาสมุนไพรต่างๆหรือไม่เช่นนั้นก็ใช้ยาดองปัสสวะใช้เป็นยาได้เหมือนกัรใช้ปัสวะดองพวกสมออะไรต่างๆแล้วก็ดื่มแล้วก็เอามาดื่มรักษาโรคเป็นยาอายุวัฒนะ นี่คือการดูแลร่างกายของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายส่วนลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ท่านสละไปหมดท่านไม่ต้องการเพราะท่านเห็นว่ามันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมา เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมีเกิดมีดับมีมามีไปเวลามาก็ดี อ, อกดีใจเวลาจากไปก็เศร้าสศกเสียใจ <Yeah. S 1> ดังนั้นจึงไม่หาความสุขจากลาภยศสละเสริญจากรูปสิยงกิริยลดโพธพิภพแต่ทุ่นเทเวลาทั้งหมดมาหาความสุข ภายในใจทำใจให้สงบชำระใจให้สะอาดแล้วใจจะมีความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะอยู่ไปกับใจตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับกับสิ่งใดก็ตามจะจะสูญเสียรากลดสรรเสริญสูญเสียรูปเสียงกลิ่นลดผลภัไปสูญเสียร่างกายไป ก็จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะใจไม่ได้สูญเสียความสุขที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการสร้างบุญสร้างกุศลนี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าร่าจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านสร้างความสุขภายในใจท่านไม่ได้ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอก เพราะมันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขตอนที่เราได้ได้มาแต่มันกลายเป็นความทุกข์ไปเวลาที่เราสูญเสียมันไปคนฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายจึงไม่ให้ความสำคัญต่อลาบยศสรรเสริญ ต่อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่ให้ความสําคัญต่อร่างกายเพราะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปท่านเห็นว่าใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่เป็นสิ่งที่ต้องดูแลรักษาเพื่อที่จะให้ใจนี้มีความสุขตลอดเวลา สิ่งที่จะทำให้ใจนี้มีความสุขตลอดเวลาก็คือบุญกุศลนั่นเองนี่คือสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวันพระขึ้นมาเพื่อให้พวกเราปุถุชนนี่ผู้ที่ยังหลงหลงผิดอยู่ยังเห็นผิดเป็นชอบยังเห็นว่าความสุขอยู่ที่ร่างกาย ความสุขอยู่ที่ลาบยศเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้ไม่ใช่เป็นความสุขพระพุทธเจ้าเลยต้องใช้อุบายกำหนดวันพระขึ้นมาเพื่อให้พวกเราได้มาทำงานดูแลรักษาสร้างความสุขให้แก่จิตใจของพวกเราวันพระในสมัยก่อน นั้นเนื่องจากว่าสังคมในยุคก่อนนั้นเป็นสังคมเกษตรกรรมการทำงานนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานาทำไร้ไถนาไม่เหมือนสมัยนี้ที่เป็นงานที่ไปทำตามสถานที่ต่างๆเช่นไปทำตามบริษัททำตามสถานที่ราชการต่างๆ ที่มีวันหยุดตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ในสมัยพระพุทธกาลในสมัยก่อนนี้เขาใช้วันหยุดตามวันขึ้นแรงของพระจันทร์เช่นวันขึ้นแปดค่าแรงแปดค่าขึ้นสิบห้าค่แรงแรงสิบห้าค่ำเป็นวันหยุดทำงานกันวันหยุดทำงานก็เลยถือเป็นวันพระ วันที่ชาวนาชาวลร่หยุดทำงานทำไร่ไถนาแล้วก็มาทำบุญที่วัดกันในสมัยนี้เราไม่สามารถที่จะมาพระตามวันขึ้นแรงอย่างในสมัยอดีตได้เราก็ต้องปรับให้เท่ากับสถานการณ์ปัจจุบันคือเราก็ต้องถือวันหยุดทำงานของเรา เช่นวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพระแทนเพื่อที่เราจะได้มาสร้างบุญสร้างกุศลกันถ้าเรารอมาวันพระที่ตรงกับวันหยุดของเรานานๆก็จะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งอย่างวันนี้เป็นวันที่วันพระได้มาตรงกับวันเสาร์ก็เลยทำให้ผู้ที่หยุดทำงานวันเสาร์ ได้มีโอกาสมาทำบุญในวันพระแต่ความจริงแนละ้ววันพระความหมายที่แท้จริงก็คือให้เรามาสร้างบุญสร้างกุศลในวันที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆสมมุติว่าถ้าวันนี้ไม่ใช่วันพระเป็นวันเสาร์เรามาวัดเราก็เหมือนกับมาวันพระเพราะเรามาทำกิจกรรมที่เหมือนกัน วันพระเราก็ทำกิจกรรมอย่างนี้เช่นทาบุญให้ทานถือศีลฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ทำอย่างนี้เหมือนกันได้สิ่งที่จำเป็นก็คือไม่ใช่อยู่ที่ว่าจะเป็นวันไหนอยู่ที่ว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราไว้ประทมหรือไม่ คือให้เรามาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อมาดูแลรักษาจิตใจของพวกเราอันนี้แระคือสิ่งที่เราต้องทำถ้าเราอยากที่จะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ถ้าเราไม่ต้องการที่จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกเราก็ต้องทำงานที่พระพุทธเจ้า ส่งมอบหมายให้พวกเรากระทำกันเพราะงานนี้เป็นงานที่จะตัดภพดตัดชาติตัดความทุกข์ต่างๆให้น้อยลงไปให้เบาบางลงไปและให้หมดไปขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัติมากหรือปฏิบัติน้อยถ้าปฏิบัติน้อยก็จะตัดได้น้อย ถ้าปฏิบัติมากก็จะตัดได้มากถ้าปฏิบัติอย่างเต็มที่แบบไม่ทำภารกิจอย่างอื่นเลยก็จะสามารถตัดภบตัดชาติให้หมดไปได้ภายในชาตินี้เลยทำให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพวกเราอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาลัยตัสาวกทั้งหลายได้กระทากันท่านสละ ภารกิจต่างๆสละทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดไม่ว่าจะเป็นลาบยศสลเซิญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจหมูกนิ้กายไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาสามีภรรยาบุตรทิดาญาสนิจวิสหาหท่านสละหมดท่านมุ่งไปสวงหา การหลุดพ้นจากการสร้างบุญสร้างกุศลถ้ายังอยู่กับครอบครัวยังอยู่กับบ้านกับเรือนอยู่ก็จะมีภาระที่ผูกพันกันที่จะต้องคอยช่วยเหลือกันคอยดูแลกันแต่การช่วยเหลือของพวกเรานี้เป็นการช่วยเหลือแบบคนที่จะจมน้ำตายช่วยยังไงในที่สุดก็จมน้ำตายด้วยกันทั้งนั้น เพราะว่าชีวิตของพวกเรามันอยู่ที่เกิดแก่เจ็บตายนี้เองต่อให้ช่วยเหลือกันมากน้อยเพียงไรต่อให้ช่วยเหลือกันดีขนาดไหนก็ตามในเมือ่อในเมื่อถึงเวลาร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปดันั้นการช่วยเหลือของพวกเราแบบนี้เป็นการช่วยเหลือที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเพราะ ผลก็คือต้องตายไปทั้งหมดนี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่เราควรจะช่วยเหลือกันเราควรจะช่วยเหลือกันอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ช่วยเหลือพวกเราเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ต้องช่วยเหลือพระองค์ก่อนด้วยการสละราชสมบัติสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปอยู่ในป่าในเขาไปสร้างบุญสร้างกุศล ไปรักษาศีลไปภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาจนชำระใจของพระองค์ให้สะาอาดบริสุทธิ์ชำระต้นเหตุที่ทําให้จิตใจมีความทุกข์ชำระต้นเหตุที่ทําให้จิตใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดให้หมดไปก่อนพอจิตใจของพระองค์สะาอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วพระองค์ก็กลับมาช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนี่คือวิธีที่ช่วยเหลือที่ถูกต้องต้องช่วยเหลือให้พวกเรานั้นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะถ้าว่ายังเกิดอยู่ก็ยังต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เสมอถ้าไม่อยากจะแก่อยากจะเจ็บอยากจะตายถ้าไม่อยากจะมีทุกข์ กับเรื่องราวต่างๆอย่างที่พวกเรามีกันและอย่างที่พวกเราพยายามช่วยเหลือกันเราต้องมาแก้ที่ใจของเราแก้ใจของเราไม่ให้กลับมาเกิดไม่ให้กลับมามีร่างกายใหม่การไม่กลับมาเกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะสูญหายไปไหนเราเพียงแต่ไม่มีร่างกายมาเป็นภาระคอยดูแลคอยห่วงใย แล้วก็มีร่างกายของคนอื่นมาคอยดูแลมาคอยห่วงใยไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมาดูแลมาห่วงใยมาเสีย อ, อกเสียใจมาร้องห่มร้องไห้เวลาที่เราจากเขาไปหรือเขาจากเราไปนี่คือวิธีแก้ปัญหาที่ถูกจุดต้องแก้ที่ใจของเรา ต้นเหตุของปัญหาอยู่ที่ใจของเราที่ยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยู่เราจึงกลับมาเกิดเพราะเราต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เราอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายจะมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีร่างกาย จะมีร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของเดรัจฉานก็ขึ้นอยู่ที่บุญที่บาปที่ทํามาถ้าทําบาปก็จะต้องได้ร่างกายของเดรัจฉานไปก่อนจนกว่าบาปนั้นจะหมดไปถึงจะได้ร่างกายของมนุษย์นี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่ยังมีความอยาก จึงทำให้พวกเราต้องมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆดังนั้นเราอย่าไปมองว่าคนที่ไม่กลับมาเกิดนี้ซึ่งคนที่กลับมาเกิดไม่ได้เพราะเร า, า จ, จะมองในด้านบวกเพียงด้านเดียวก็คือว่าถ้าได้กลับมาเกิดก็จะได้มีสามีมีภรรยามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีสิ่งต่างๆให้ดื่มให้รับประทานให้ดูให้ฟัง มีสถานที่ต่างๆให้เที่ยวให้เล่นแต่มันเป็นของชั่วคราวเวลามีมันก็ดีอยู่แต่เวลามันไม่มีตอนนั้นมันจะทรมารมันจะทุกข์เวลาที่จะต้องจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปมันเป็นความทุกข์ที่รุนแรงอย่างมากไม่คุ้มกับความสุขที่ได้มาดังนั้นเป้าหมายของพวกเราจึงอยู่ที่การหยุด การหยุดความอยากต่างๆเพื่อจะได้หยุดการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญได้บรรลุถึงเมื่อทรงถึงแล้วก็ทรงนาวิธีที่จะทำให้พวกเรานั้นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายมา เผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราน้อมนาเอาไปปฏิบัติเราก็จะสามารถเป็นพระสาวกได้เพราะว่าพระสาวกทั้งหลายก็เป็นอย่างพวกเราก่อนที่จะเป็นพระสาวกท่านก็เป็นปุถุชนอย่างพวกเรามีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากต่างๆเหมือนกัน แต่พอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงบอกทางให้ไปสู่ความดับของความทุกข์ทั้งหลายบอกทางไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายท่านเหล่านั้นก็มีศรัทธาน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติและปฏิบัติอย่างเต็มที่ คือตามแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสละราชสมบัติภาษาวลกก็สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆสละสามีสละภรรยาสละบุตรทีดาสละญาติสนิทมิสหายแล้วก็ออกบำเพ็ญไปอยู่ตามป่าตามเขาไปรักษาสีงให้กายวาจาสงบ แล้วก็ไปเจริญภาวนาสมถะภาวนาคือทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วพอออกมาจากความสงบก็เจริญวิปัสนาภาวนาต่อสอนใจให้ไม่ให้หลงกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้สอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขไม่ใช่เป็นของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นเวลาร่างกายนี้ที่เราคิดว่าเป็นของเรามันตายไปของทุกอย่างที่เรามีอยู่ก็จะไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปเราก็ไปตัวเ ป, ปล่าๆไปกับบุญไปกับบาปถ้ามีบุญพาไปก็จะพาให้เราไปสู่ความสุข ระดับต่างๆคือสวรรค์ชั้นต่างๆตัง้ตงแต่ชั้นเทพขึ้นไปไ ป, นไปสู่ชั้นพรหมไปสู่ชั้นของพระอริยเจ้าขั้นต่างๆจนถึงชั้นพระนิพพานเป็นชั้นสุดท้ายพอไปถึงชั้นพระนิพพานแล้วก็ถือว่าเราได้ถึงบ้านของเราแล้วบ้านที่แท้จริงของเราก็คือพระนิพพานเป็นบ้านที่มีทุกสิ่งทุกอย่าง เอื้ออานวยความสุขความสะดวกให้แก่จิตใจของเราจิตใจของเราจะมีแต่ความสุขไปตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดเช่นจิตใจของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายตอนนี้จิตใจของท่านก็ยังมีอยู่เหมือนจิตใจของพวกเราต่างตรงที่ว่าท่านไม่มีความทุกข์เหมือนพวกเรา เพราะท่านไม่มีร่างกายที่จะร่งมาทุกข์ด้วยท่านไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบริษัทธิ์บริวารสามีภรรยาบุตรธิดาบิดามารดาญาติสนิทมิสหายมาทุกข์ด้วยท่านมีแต่พระนิพพานคือมีแต่ปรมังสุขขังมีความอิ่มมีความพออยู่ตลอดเวลา ใจของพวกเรากับใจของพระพุทธเจ้าต่างกันตรงนี้ถ้าพวกเราอยากจะเป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องบาเพ็ญตามที่พระเจ้าทสรงสอนอยู่สามขั้นก็คือทานให้สละทุกสิ่งทุกอย่างไปให้หมดทานก็คือการให้สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ที่เราไม่จำเป็นจะต้องอาศัยมัน เช่ลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสสามีภรรยาบุตรธิดาบิดามารดานี้เป็นสิ่งที่เราไม่มีเราก็อยู่ได้เราไม่จําเป็นต้องมีเรายกให้คนอื่นไปใครอยากจะได้ก็ให้เขาไปเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมีภาระมาะคอยดูแลคอยช่วยเหลือกันเราจะได้มีอิสริภาพในการที่จะไปบวช ไปถือศีลไปภาวนานี่นี่คือเป้าหมายของการทำบุญให้ทานก็คือต้องการที่จะปลดให้เราเป็นอิสระให้เราได้ไปไปปฏิบัติไปบวชไปชาระใจของเราให้สะอาดเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดอีกต่อไปแต่หลังจากที่เราทำหน้าที่ของเราเสร็จแล้ว เราก็สามารถกลับมาช่วยเหลือพ่อแม่ช่วยเหลือพี่น้องช่วยเหลือสามีภรรยาช่วยเหลือญาติสนิทมิตสหายได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระ อ, องค์ก็ได้ทรงกลับมาเยี่ยมเยี่ยมพระญาติทั้งหลายแล้วก็สั่งสอนความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อน ความจริงที่ไม่มีใครรู้มาก่อนก็คือเรื่องจิตใจของเราเรื่องของการสร้างความสุขที่ถาวรให้กับจิตใจเรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการทำลายความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปพอญาติของท่านได้ยินได้ฟังก็เกิดศรัทธาขอตามบวชกันมีเจ้าชายตามบวชถึงห้าพระ อ, องค์ด้วยกัน แล้วมีพมานดาเลี้ยงก็ขอบวชเป็นภิกษณุณีนี่คือการช่วยเหลือที่ถูกต้องเพราะเป็นการช่วยเหลือให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงการช่วยเหลือของพวกเรานี้เป็นการช่วยเหลือเพียงชั่วคราวช่วยบรรเทาทุกข์เป็นระยะระยะไปเวลาใครเดือดร้อนขาดแคลอะไรเราก็ช่วยเหลือเข้าไปก็บรรเทาความทุกข์ไปได้บ้าง แต่ก็เป็นเพียงชั่วคราวเดี๋ยวก็เกิดความทุกข์ใหม่ขึ้นมาเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาก็ต้องช่วยกันไปอย่างนี้ไปแต่จนถึงแต่ในที่สุดก็จะช่วยกันไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องตายจากกันไปพอตายจากกันไปแล้วก็จากกันไปอย่างถ้าวนพอกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาพบกับปัญหาใหม่อย่างนี้อีกต่อไปนี่ไม่ใช่วิธีที่จะช่วยเหลือกัน วิธีที่จะช่วยเหลือกันต้องช่วยเหลือแบบที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือหมั่นมาวัดเช่นทุกวันพระเป็นจุดเริ่มต้นมาบวชพอเรามาทุกวันพระได้แล้วขั้นต่อไปก็เพิ่มวันไหนมีเวลาว่างก็มามาเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะสามารถมาวัดได้ทุกวันมาอยู่วัดได้มาบวชได้มาปฏิบัติธรรม มาชำระใจมาดับความทุกขมาตัดการเวียนว่าตายเกิดได้เพราะนี่เป็นวิธีที่มีผู้อื่นได้กระทากันมาแล้วนับจำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านด้วยกันตลอดระยะเวลา 2.500 ปีตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนมาก็มีผู้ที่มีศรัทธาน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ และสามารถทำให้ตนเองนั้นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดภายในชาตินี้ได้เป็นจำนวนมากพวกเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันถ้าเรามีศรัทธาถ้าเราเบื่อกับความแก่ความเจ็บความตายเบื่อกับการพัดพากจากสิ่งที่เรารักเราก็จะมีความกล้าหาญที่จะตัดที่จะละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ ตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่รับรองได้ว่าภายในชาตินี้งานที่พู้เจ้าส่งมอบให้มอบหมายให้แก่พวกเรานี้จะสำเร็จได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของความสำคัญของวันพระนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขเพื่อความสิ้นสุดแห่งการเว้นเวียนว่าตายเกิด น, นี้